ถ้าเช่อชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวังบรรยายเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2545ขออำนวยพรท่านนายกสภาสถาบันราชพัฏบาทสมเด็จเจ้าพยาพร้อมด้วย ท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีและก็ท่านอาจารย์ทุกท่านพร้อมทั้งญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้อาถรวาภาพรู้สึกอนุโมทนาเป็นพิเศษในการที่ท่านนายกสภาพร้อมด้วยท่าน อธิการบดีแลวก็โดยเฉพาะที่คณะคือท่านคณะบดีได้มาถวายวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่อนุโมทนานี้เป็นการสืบเนื่องจากเรื่องที่เป็นมาเก่าและท่านนายกสภาท่านก็เรียกว่ามีเมตตาก็ได้มาที่วัดนี้เคยมาเยี่ยมอนุภาพตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วตอนระยะที่ เตรียมการต่างๆนี้ก็มีความรู้สึกว่าทางสถาบันนี้จริงจังมากท่านคณะบดีพร้อมด้วยอาจารย์ประสิทธิรัตน์ก็มากันบ่อยๆมาเตรียมการต่างๆรู้สึกว่าตั้งใจจริงมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกาซาบซึ้งในน้ำใจ แต่พร้อมกันนี่ธารมภาพเองก็ต้องขอประธานอภัยด้วยที่ว่าตัวเองก็แทบไม่ได้ต้อนรับเลยคือท่านคณะบดีมาก็ไม่ได้พบกันเพราะว่าตัวเองก็มดแต่อาภาษนะความจริงก็พอพบกันได้แต่ว่าทางพระท่านมักจะสงสารว่าพบคุยกับใครแล้วก็ไปมีปัญหาติดตามมาเพรว่าปอดไม่ดีใช้ปอด ไม่ค่อยมีกําลังยิ่งอายุมากขึ้นแต่ก่อนนี้อายุน้อยหน่อยนี่เวลาพูดมันก็จะพอมีแรงขึ้นมาสู้แต่เวลานี้พูดไปมีแต่วิวจะเป็นลมนี่ก็เลยต้องขอไั่ไว้ด้วยอตนนี้วันนี้นอกจากว่าทางฝ่ายทางสถาบราชัชพัฒและทางญาติโยมประชาชนก็ต้องขออนโมทนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ได้มีเมตตาเช่นเดียวกันได้มาถือว่าเป็นฝ่าย ญ, ญาติโยมประชาชนที่ท้องถิ่นจังหวัดนี้มาร่วมอนุโมทนาอนนี้การจัดเตรียมต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่ามีขาดตกบกพร่องก็ต้องขอบรรทนภัยถือว่าเป็นเรื่องขาดฝ่ายวัด อันนี้ถ้าพูดเป็นล้อ ก, กันก็บอกว่าส่วนที่ขาดนี่เป็นเรื่องของวัดส่วนที่เกินนี่เป็นของราชพัฒ <c oughs> แต่ว่าเกินในที่นี้ต้องมองว่าเกินในแงด่ดีคือเกินนี่ก็เขาเรียวกว่าพิเศษนั่นเองเนพิเศษนี่ก็คือเกินกว่าปกตินอันนี้ส่วนทางวัดนั้นก็ต้องขอแก้ตัวถ้ากว่าจะมีอะไรขัดตกบกพรอง ก็ไม่ใช่ว่าทางวัดไม่ได้เห็นความไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสําคัญก็เห็นความสําคัญโดยเฉพาะก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ทราบซึ้งในน้ําใจของท่านแต่ว่าทางวัดนี่ก็ประการหนึ่งก็เป็นวัดเล็กๆมีพระไม่กี่องค์ที่วัดนี้มีพระอยู่นิดเดียวก็สิบกว่ารูปเท่านั้นนี่ขนาดในพรรษาถ้ายิ่งนอกภรษาก็ยิ่งน้อย และอีกประการหนึ่งก็คือทางวัดนี่ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมชาติก็เลยเหมือนกับว่ามาก็ต้อนรับกันตามธรรมชาติกันแล้วกันนีก็เลยเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าขอภัยก็เป็นการแก้ตัวไปด้วยแต่รวมทั้งหมดก็คือเป็นการที่ว่าทราบซึ้งในน้ําใจของทางสถาบันราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพยาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ตั้งเรียกว่าอย่างยิ่งอานุภาพก็ได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนีเป็นแหล่งให้การศึกษาเป็นสถาบันฝึกหัดครูมาแต่เก่าแก่นแต่ก่อนนี้ก็คงจะเรียกรงเรียนฝึกหัดครูก่อนต่อมาก็เป็นวิทยาลัยครูแล้วมาปัจจุบันนี้ก็เป็นสถาบันราชพัฒ ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านการศึกษาและก็เรื่องของการจัดการศึกษาของสังคมไทยในการที่ทางสภาสถาบราชพัฒนมีมติถวายปริญญานี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยก็เป็นการแสดงนับใจต่ออัตวภาพแต่เบื้องหลังนําใจต่ออัตภาพที่เป็นพื้นฐานลงไปก็คือความปรารถนาดีต่อสังคมไทย เราจัดเรื่องของปริญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาที่แท้จริงนั้นความมุ่งหมายก็อยู่ที่มุ่งหวังประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติก็อย่างที่ท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีก็ได้กล่าวในตอนที่อ่านคำประกาศเกียรติคุณหรืออะไรเมื่อกี้นี้หรือสะดุดีเนี่ยก็จะบอกถือว่าให้อัตมวภาพมีกำลังทำงานให้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยนย ตอนนี้ก็แสดงว่าที่แท้แล้วจุดมุ่งหมายเนี่ยไปอยู่ที่เพื่อส่วนรวมนะอันนี้น้ำใจแต่ส่วนรวมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในที่สุดเราก็มีจุดหมายร่วมกันเพื่ออันนี้นั่นเองถ้าทําใจอย่างนี้มองนี้แล้วก็สบายใจได้หมายความว่าอาถราพเองก็ควรจะมีความมุ่งหวังเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมเพราะว่าทางสถาบันราชภัเนี่ยมีน้าใจมาด้วยเหตุผลอันนี้แล้วก็มาร่วมมือกัน ทำงานการเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมประเทศชาติตลอดกระทั้งชาวโลกต่อไปนี่มามองดูเรื่องของสังคมประเทศชาติปัจจุบันนี้เรามองดูกระแสะเสียงทั่วๆไปจะพูดในเชิงน่าเป็นห่วงมากเราพูดกันมาหลายปีแล้วเรื่องวิกฤตต่างๆมีวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่ว่าที่แท้ น, นเบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็คือวิกฤตทางสังคม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นฐานแล้วก็น่าจะมีมาก่อนวิกฤตเศรษฐกิจได้ซ้าวิกฤตเศรษฐกิจนี่เป็นเพียงตัวแสดงผลปรากฏเป็นแผลหรือเป็นโรคที่ปรากฏตัวออกมาในท่ามกลางสภาพที่แท้จริงก็คือวิกฤตทางสังคมถ้าเราไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจกันมากเราก็อาจจะลืมมองเรื่องวิกฤตทางสังคมนี้ เมื่อวิกฤตทางเศรษฐกิจเด่นมานานไอตัวจริงที่แท้เดี๋ยวนี้มันโผ ล, ล่ลแหละก็คือวิกฤตทางสังคมเวลานี้วิกฤตทางสังคมนี่เด่นชัดมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ลงไปถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเราก็พูดเป็นคติเป็นคำขวัญกันมาทุกปีบอกว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติทีนี้ถ้าอนาคตของชาติ เวลานี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ขาดหมายได้ก็คือเป็นสภาพที่น่าหวั่นกลัวนี่จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อไม่นานนี้สองสวันนี้เองก็ได้พบในสื่อมวลชนก็ได้พูดถึงเรื่องของงานวิจัยหรือว่าการทำเรื่องของสถิติอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดูสภาพต่างๆของสังคม เรื่องของค่านิยมเรื่องของทัศนคติเรื่องของคุณภาพของคนมาใกล้ๆกันบอกคุณภาพของด้านการศึกษาของเด็กไทยนี้เสื่อมมากนะทางด้านคุณภาพทางวิชาการก็ตกมากวิชาการต่างๆอ่อนแล้วมาเมื่อวานนี้ก็ในเรื่องภาษาอังกฤษอีกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ลงไปเทียบเวลาไปสอบไปต่างประเทศ อย่างพวกโทเฟลอย่างเงี้ยน่ก็ได้แค่อะไรพอจะจำได้นิดๆหน่อยๆว่าของไทยนี่ต่ำกาก็500น่ซึ่งปกติในอเมริกานี่เขาก็ไม่ค่อยรับอยู่แล้วค่า500ขึ้นไปหลายสถาบันอาจจะต้องรับตั้ง550บน่บางสถาบันก็รับ500เด็กไทยนี่ได้แค่498มีอีกประเทศเดียวที่ต่ำกว่าประเทศไทยจะไม่พูดถึง แต่นอกนั้นในอาเซียนด้วยกันนี่เขาสูงกว่าทางด้านสิงคโปร์นี่ขึ้นไปถึง596น่มากกว่าไทยนะี่เกือบหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเฉพาะภาษาอังกฤษวิชาอื่ น, นก่อนนี้ก็มีพูดกันแล้วเรื่องวิชาทางด้านคนวณิตศาสตร์เรื่องวิช า, า, า, น ว, น า, ว, ชาวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ล้าหลังเขาไป แม้แต่ว่ามีเด็กไทยที่ไปแข่งขันในระดับโลกได้คะแนนดีๆมากคนไทยก็ให้ความสนใจน้อยคือจะไปสนใจเรื่องของดารามากกว่านี่คือเด็กที่ทําคะแนนดีเป็นบีเทอเชิดหน้น่าชูตาทางปัญญาของสังคมเนี่ยจะเห็นว่าสังคมไทยไม่ค่อยให้ความสําคัญเราจะไปให้ความสําคัญข่าวในเรื่องของความเด่นดังเรื่องโก้เก๋ดาราไป อันนี้มันก็แสดงถึงค่านิยมของคนไทยอยู่ในตัวซึ่งก็น่าเป็นห่วงแล้วก็เขาก็สำรวจทัศนคติของคนไทยทั่วๆไปหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็พูดถึงว่าเด็กยุคนี้มีความคาดหมายเรื่องของอนาคตก็จะมุ่งไปถึงผลประโยชน์ส่วนตัวความก้าวหน้าของตัวอะไรต่างๆเหล่านี้แทนที่จะคำนึงถึง สังคมจิตสานึกต่อส่วนรวมการสร้างสรรค์ประเทศชาติไม่ค่อยมีอย่างนี้ก็หมายความว่าดูด้านไหนก็น่าเป็นห่วงไปหมดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในที่สุดเรื่องก็ต้องมาถึงการศึกษานี้ไม่พ้นเพราะว่าผลที่ปรากฏอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็การสร้างคนก็คือเรื่องของการศึกษา นั้นก็กลายไปว่าในที่สุดคนจะต้องมาโทษการศึกษาว่าการศึกษาของเรานี่คงจะต้องมีอะไรบกพร่องนจึงได้พูดเป็นภาษาเศรษฐกิจแบบที่นิยมปัจจุบันว่าจึงได้ผลผลิตอย่างนี้ก็เรียกเป็นแบบภาษาเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้ภาษาเศรษฐกิจแม้แต่ใช้ทางด้านอื่นๆก็กลายเป็นเอาศั์เศรษฐกิจมาใช้วัดด้วยตัวเลขวัดด้วยรูปธรรม เป็นปริมาณเป็นอะไรไปหมดอันนี้คุณภาพอย่างนี้เมื่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเราก็ต้องมาคิดมาพิจารณากันว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าสภาพจิตใจของคนอย่างนี้แสดงถึงการขาดการศึกษานั่นเองหรือการศึกษาไม่ค่อยมีการศึกษาไม่ค่อยมีอยู่ในชีวิตที่จริงนั้นการศึกษามันเป็นเรื่องของชีวิต ความจริงเราต้องการให้การศึกษาเนี่ยมันเต็มไปทั้งชีวิตเลยชีวิตอยู่ด้วยการศึกษามีการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองตลอดเวลานีพัฒนาพฤติกรรมกายวาจาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญามันต้องไปตลอดเวลาอันนี้มันไปสนองด้านความรู้สึกสมาด้านปัญญาที่เป็นตัวเอกที่เป็นด้านรู้เนี่ยไม่ค่อยได้รับการกระตุน้นหรือปลูกเร้าหรือว่าส่งเสริม แต่จะมีการกระตุ้นในด้านความรู้สึกเนี่ยมาความรู้สึกก็จะออกในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระตุ้นเนี่ยขอให้ดูเถอะจะเป็นเรื่องทางกายกระตุ้นความรู้สึกลูกเราที่ทำให้เกิดสิ่งที่ทางพระเรียกว่ากิเลสพูดสั้นๆก็คือความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะโลภะราคะก็คือความต้องการเอาเพื่อตัว โทสะก็คือการกีดกันทำร้ายผู้อื่นแล้วก็โมหะก็คือความมัวเมาประมาทปล่อยประละเลยลุ่มหลงนะเมื่อคนคิดแต่จะเอาเพื่อตัวเองมันก็ขัดใจกับคนอื่นต้องแย่งชิงกันนะโทสะมันก็ต้องมาแรงทีนี้พอได้ตามใจกับตัวเองมันก็ลุ่มหลงเพลิดเพลิน ติดอยู่ใต้ความสุขความเพลิดเพลินนั้นมันก็ปล่อยปละแล้วเลยสิ่งที่ควรทําก็ไม่ควรทาแล้วก็ไม่ได้ทํามันก็มาไปกระบวนกละโลภตัวสะโมหะหรือราคะตัสะโมหะอันนั้นถ้าแก้สักจุดหนึ่งมันก็แก้ไปได้กันนี้คนที่ถูกกระตุ้นจะได้ความรู้สึกเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีเรื่องความชอบความชังตามภาษาพระว่าก็คือเรื่องของโลภตัวสะโมหะเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อถูกกระตุน้นอยู่กระตลอดเวลาคิดจะได้จะเอาจะได้จะเอาอย่างเงี้ยนอันนี้ปัญญาความคิดมันก็ไปสนองว่าทำยังไงจะได้เพื่อตัวเองถ้าคนอื่นขัดเราก็ต้องคิดว่าทําัไงจะทำลายขัดขวางเขาได้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ลุ่มหลงมวงโมเมาปัญญาก็เลิกทาหน้าที่ปัญญาหมายความว่ามาทาหน้าที่แค่เพื่อจะเอาเพื่อตัวแล้วก็เพื่อจะทาลายคนอื่นขัดขวางพอจบหน้าที่นั้นก็ หยุดเป็นงานของโมหะไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพที่ทางพระทะ่านเรียกว่าอัตถะปัญญาอัตถะปัญญาแปลว่าปัญญาเพื่อประโยชน์ตนมีพุทธภาษิตบอกว่าอัตถะปัญญาอสุจีมนุษยาแปลว่ามนุษย์ที่มีปัญญาเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ตนนั้นเป็นคนไม่สะอาดคือเป็นคนสกปรกนั่นเองอนั้ตถาพุทธศาสนาไม่สรับสนุนนั้นเรื่องของมนุษย์เนี่ย สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมากที่เข้ามากระตุ้นอยู่ตลอดเวลานี่ตอนนี้มันเป็นการกระตุ้นได้ความรู้สึกที่ว่ามาสนองและโลภโทสะโมหะนี้ถ้าเป็นความรู้สึกเราจะต้องมากระตุ้นได้ความรู้สึกที่ฝ่ายดีถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าอารมณ์คืออารมณ์นี้มีฝ่ายบวกฝ่ายลบอารมณ์ฝ่ายลบ หรือว่าความรู้สึกฝ่ายไม่ดีก็คือความโลภความโกรธความหลงอย่างที่ว่าเมื่อกี้จะได้จะเอาจะคิดลายยั่งชิงผู้อื่นลุ่มหลงมัวเมาประมาทนี้ฝ่ายที่จะเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ฝ่ายดีก็คือเมตตากรุณาความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาการมีความสุขจากการได้ทําประโยชน์อะไรต่างๆเหล่าเนี้นี่เป็นเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันเึ็ฝ่ายดีถ้ามีความรู้สึกฝ่ายดีขึ้นมา ที่ตรงข้ามเชืว่าแทนที่จะมุ่งจะได้จะเอาเพื่อตัวก็คิดมีความรู้สึกที่รักคนอื่นอยากจะช่วยเหลือเขาไม่เมตตากรุณาให้เจ้าปัญญามันก็มาสนองตอนนี้มันคิดว่าทำยังไงจะช่วยเหลือเขาได้ก็หาทางช่วยเหลือไปนะแทนที่มันจะเกิดกิเลสมันก็เกิดกลายเป็นคุณธรรมดันั้นถ้าจะสร้างความรู้สึกก็ต้องสร้างความรู้สึกที่ดีนี้มนุษย์ทั่วไปนี่เป็นธรรมดาว่าตกอยู่อำนาจสิ่งแวดล้อมมาก ทาพุทธศาสนาท่านเน้นบอกว่าสําหรับคนทั่วไปนี้นะปัจจัยภายนอกเป็นตัวเด่นปัจจัยภายในนี่เป็นแกนที่เราจะต้องสร้างการศึกษาจะต้องมุ่งไปที่ปัจจัยภายในแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าคนทั่วไปเนี่ยขึ้นต่อปัจจัยภายนอกมาเราทําไงจะให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันหนุนปัจจัยภายในที่ดีขึ้นมาแทนที่จะปล่อยปลาแล้วเลยให้ปัจจัยภายนอกไอ้ตัวไร้ให้มากระตุ้นอยู่ฝ่ายเดียว เวลานี้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยอปัจจัยภายนอกเนี่ยมากระตุ้นเราในฝ่ายไม่ดีตลอดเวลาขอให้ดูสื่อมวลชนเถอะมีแต่ปัจจัยกระตุน้นความรู้สึกในเรื่องความโลภความจะเอาจะได้การบำรุงบำเลอตัวเองหาความสุขส่วนตนการจะคิดร้ายปฏิทุร้ายทำอันตรายผู้อื่นแย่งชิงการลุ่มหลงโมเมาเนี่ก็คือกระตุน้นความรู้สึกที่ไม่ดีนี่คือปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกอย่างนี้มันสะพั่งทั่วไปทั้งสังคมแล้วคนจะเป็นยังไงในเมื่อมนุษย์สามัญเนี่ยตกอยู่อํานาจปัจจัยภายนอกเป็นใหญ่ปัจจัยภายนอกที่ดีไม่มีโอกาสเข้ามานี่เรื่องของการศึกษาเนี่ยมันก็มีปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในท่านก็บอกว่าปัจจัยภายในเนี่ยเป็นตัวแท้งการศึกษาที่เราจะต้องสร้างแต่ว่าจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเมื่อปัจจัยภายนอกมีจะไอเจ้าตัวกระตุ้น ความรู้สึกที่กอ่อให้เกิดโลภะโัวสะโมหะมการศึกษามันจะเกิดยังไงมันก็มีแต่การสนองความต้องการที่เป็นโลภะตัวสะโมหะมันก็เดินหน้าไปในเรื่องที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นอัตถะปัญญาอสุจีมนุษย์สาก็กลายไปว่าคนที่เห็นแก่ตัวนี้เป็นคนสุกโผลกเอ๊ะไปมาสังคมนี้ดีไม่ดีกลายเป็นสังคมสุกโผลกไปเลยนี่ทําไงเราจะแก้ไขการศึกษาก็ต้องทําหน้าที่ปัจจัยภายนอกให้ถูกต้องนี้ ปัจจัยภายนอกนี้ต้องสร้า ง, างฝ่ายดีตลอดเวลาเหมือนกันในเมื่อสังคมเวลานี้เต็มไปได้วยปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นเราฝ่ายร้ายความรู้สึกที่ไม่ดีเราจะทําไงเราก็ต้องร่นถอยอย่างมีระเบียบใช่ไหมร่นถอยยังไงร่นถอยอย่างมีระเบียบเนี่ยสังคมของเรามันสะพรั่งเต็มไปหมดเลยหันไปทางไหนก็มีสิ่งกระตุ้นเราไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเราดูแคบเข้าไปแคบเข้าไปแล้วจากสังคมนอกเข้าไปก็แคบเข้ามาก็าาไปถึงครอบครัว ถ้าครอบครัวยังตั้งหลักได้ดีอยู่เนี่ยก็มีหวังว่าเรายังตรึงไว้ไดนะ้ความเสื่อมมันจะเข้ามาได้แค่ขอบเขตหนึ่งเรายังมีดานสุดท้ายเนี่ยคือครอบครัวนี้ที่จะช่วยได้เราก็ต้องมาเน้นเรื่องครอบครัวกันเพราะว่าครอบครัวนี้พ่อแม่เป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญมากที่ถ้าเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรถ้าพ่อแม่เป็นปัจจัยภายนอกที่ดี ก็จะกระตุ้นปัจจัยภายในที่ดีงามเกิดขึ้นเช่นความรู้จักคิดคิดเป็นอะไรต่างๆหรือปัจจัยทางด้านจิตใจเรื่องของความมีระเบียบวินัยออกมาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในครอบครัวอันนี้เวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องมาหาทางช่วยการศึกษาของประเทศชาติสังคมของเราซึ่งคิดว่าเราจะต้องลงมาถึงขั้นพื้นฐานแล้ว การศึกษาจะต้องประสานกับบ้านนะโรงเรียนกับบ้านนี่จะแยกกันไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอาจจะต้องเอาการศึกษาหรือทางสถาบันการศึกษาเนี่ยไปช่วยกระตุน้นสร้างกำลังให้กับครอบครัวขึ้นมาให้ครอบครัวเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็งในสังคมไทยไม่มีทางเข้มแข็งเลยมันก็จะปวกเปียกปอแปรแล้วในครอบครัวนี้ในที่สุดมันก็ไปถึงใคร ในที่สุดในครอบครัวเนี่ยแกนสำคัญที่สุดคือแมนะ่ทางวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราจำกันมาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรว่าพระคุณแม่นะอันนี้พระคุณพ่อแม่ที่พูดในก้างคื น, เ, นเป็นเครื่องคุ้มครองลูกนะพระคุณแม่แล้วก็รวมทั้งคุณพ่อคุ้มครองลูกได้อย่างไร เรื่องพระคุณก็คืออะไรก็คือคุณความดีความรั ก, ค ว, รกความเมตตากรุณาเป็นต้นที่ทราบซึ้งลึกลงไปแฝงฝังอยู่ในจิตใจเจองกระทั่งว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนนั้นอย่างไม่ต้องรู้ตัวเลยเหมือนอย่างฝ่ายร้ายนี่เราเข้าป่า ใครร้องขึ้นมาว่าเสือเท่านั้นแหละไม่ต้องไปคิดหละเลยพอไม่ต้องนึกว่าเสือรูปร่างเป็นยังไงมันจะทำยังไงกับเราไม่ต้องไปคิดเสียเวลาละเข่าอ่อนทันทีเลยเนี่ยหรือมึงก็ตกใจวิ่งทันทีอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เช่นเดียวกันพระคุณแม่ก็ให้ทราบซึ่งอยู่ในใจลูกเนี่ยฝังลึกจนกระทั่งว่าไม่ต้องมาคิดมานึกละเกิดกายขึ้นมานี่จะเกิดความรู้สึกถึงแม่ทันที และก็จะแสดงออกมาได้โดยไม่ต้องรู้ตัวโดยไม่ต้องคิดตั้งนึกเหมือนอย่างว่าถ้ากําลังงือมีจะทําร้ายใครสักคนหนึ่งใครพูดขึ้นมาว่าแม่เท่านั้นแหละให้มืออ่อนมีดหลุดจากมือไปเลยอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้เนี่ยถ้าหากว่าพระคุณของแม่ทราบซึ้งถึงขั้นนี้ก็จะมีผลต่อชีวิตต่อสังคมอย่างมากแต่น่าเสียดายว่าเวลาเนี้ย เรื่องนี้เรื่องพระคุณของแม่เนี่ยกำลังจะอ่อนอ่อนกำลังมากแล้วจนกระทั่งาบางทีที่น่ากลัวมากก็คือว่าไม่มีความรู้สึกต่อกันแล้วแม่ก็ไม่ได้รักลูกลูกก็ไม่ได้รักแม่ความผูกพันทางใจก็ไม่มีแต่ไม่ใช่หมายความหมดนะก็ยังมีอยู่เยอะแต่ว่ามันชักจะเลือนลางเสื่อมทรายลงไปเพราะนั้นจะต้องมาเตือนม า, มาย้มามันเน้นกันว่าให้พยายามปลูกฝังอันนี้ขึ้นมา ให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของแม่ในความที่ผูกพันกันอย่างแน่นสนิทฝังใจอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเวลาได้ยินคําว่าแม่นั้วเนี่ยความซาบซึ้งจะแสดงออกมาเองโดยไม่ต้องคิดต้องนึกเลยอย่างที่บอกว่ากําลังยกตัวขึ้จะยิงใครจะทําลายใครพอพอได้ยินคําว่าแม่นี่ปืนหลุดจากมือทันทีอย่างนี้แหละก็นี่เรียกว่าพระคุณของแม่ก็เข้ามาคุ้มครองแล้วเขาจะทําอะไรที่ เสียหายรายแรงทําบาปทากรรมก็หยุดได้เนี่ยพระคุณของแม่ก็ต้องอย่างนั้นพอพูดขึ้นมาว่าแม่เท่านั้นแหละความรู้สึกดีๆต่างๆนี่ขึ้นมาเลยไม่ต้องไปนึกเสียเวลาอันนี้คือพระคุณที่แท้จริงที่จะคุ้มครองได้คําว่าคุ้มครองนี้ก็หมายความว่าลูกเนี่ยมีความรู้สึกซาบซึ้งในความรักความเมตตาของแม่มาตั้งแต่เล็กต่ออ่อนต่อออก นะจะเรียกก็ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ได้นะก็เลี้ยงประครบประงมกันมาเนี่ยพอโตขึ้นมานี่ไปไหนเนี่ยพอจะไปทําอะไรที่ไม่ดีนี่นึกถึงแม่แล้วโอ้แม่สอนเราไว้หรือจะทําอะไรนี่เห็นแก่แม่น ะ, นะแม่นึกอยู่เนี่ยแล้วถ้ารู้แม่รู้นี่เราทําไม่ดีเนี่ยแม่จะไปทุกข์เดือดร้อนยังไงพอนึกอย่างนี้แล้วเนี่ย จะเกิดความยับยั้งชั่งใจนี่ก็เรียกว่าพระคุณแม่มาคุ้มครองที่ว่าคุ้มครองนี่คือคุ้มครองอย่างนี้หรือว่าคนที่มีความซาบซึ้งจิตใจต่อพระคุณของแม่เนี่ยเวลาไปข้างนอกไปพบผู้หญิงอื่นไปพบผู้หญิงอายุมากสูงสูงท่านผู้เฒ่าชราก็จะมีความรู้สึกนึกถึงแม่เนี่ยความรู้สึกที่ดีก็มี คารู้สึกต่อทคนแก่นั้นก็จะมีในทางที่เป็นความรู้สึกต่อแม่อย่างวัฒนธรรมไทยของเราที่เรียกว่าเป็นป้าเป็นลุงเป็นตาเป็นยายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ดีก็จะมานี้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกแบบพระคุณแม่ที่ซาบซึ้งอยู่เนี่ยไปเห็นคนแก่ผู้หญิงเราก็อาจจะเกิดความรังเกียจนะนี้ลดลงมาไปพบผู้หญิงอายุน้อยๆลงไปพอไปพบเด็กผู้หญิงสาวๆอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าปลูกฝังการมาดีในครอบครัวมีพระคุณแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนะี่ยความรู้สึกเหล่านี้จะมาโนม้มน้อมให้จิตใจนึกถึงพอมองเห็นผู้หญิงอื่นเออแม่ก็ทำให้เรานึกไปถึงพระคุณของท่านความเป็นผู้หญิงนะั่นน่ะมันกระตุ้นความรู้สึกสองด้านถ้ามีแต่สัญชาตญาณก็จะมีเรื่องเพศอย่างเดียวแต่ถ้ามีเรื่องพระคุณของแม่อยู่เนี่ยความรู้สึกที่ดีก็จะเกิดขึ้น แต่กาม ร, รู้สึกที่ดีต่อแม่เนี่ยจะโยงไปหาพี่น้องก็จะนึกถึงผู้หญิงนั้นแบบเป็นพี่เป็นน้องความรู้สึกในทางงดงามมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงไปเองแต่ถ้าพระคุณแม่ไม่มีที่จะคุ้มครองแล้วต่อไปเนี่ยผู้ชายไปพบผู้หญิงก็มีแต่ความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวแน่นอนว่าปัญหาสังคมนี่จะต้องเกิดขึ้นอาชญากรรมจะต้องมากมาย อันนั้นจะต้องฟื้นพระคุณแม่ขึ้นมาให้ได้เวลานี้เราแทบจะหมดแล้วนะความรู้สึกพระคุณแม่ก็แทบจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นขอพูดเลยว่าถ้าพระคุณแม่ไม่กลับมาโลกาวอดไหวแน่เนี่ยต้องต้องทื่นต้องตั้งมุ่งหมายเลยว่าต้องฟื้นให้ได้ให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยพ่อเนี่ก็มาคอยปกปักรักษามาช่วยดูแลคุ้มครองให้อีกทีหนึ่ง แด่านแรกที่สุดแกนของสังคมเนี่ยก็คือแม่แม่นี่แหละจะเป็นผู้อุ้มชูสังคมนี้ให้อยู่รอดต่อไปแล้วก็เป็นผู้ที่จะจูงลูกเข้าสู่การศึกษาตอนนี้เรามาหวังกันเถิดว่าจะต้องมาให้แม่เนี่ยช่วยจูงลูกเข้าสู่การศึกษาโดยมีพ่อคอยช่วยปกปักคุ้มครองอยู่แล้วพอแม่ดึงลูกเข้าสู่การศึกษาได้เนี่ยต่อไปแม่นี่จะไปเชื่อมพักคุณแม่เนี่ย ซึ่งมามีพระคุณพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองเนี่ยจะเชื่อมโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยได้เวลานี้เราเชื่อมไม่ถึงพระคุณพระรัตนตรัยเพราะพระคุณแม่ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนี่ถ้าพระคุณแม่ก็ไปแล้วพระคุณพระรัตนตรัยเอื้อมไม่ถึงเนี่ยในก็เราก็ต้องมาจับจุดให้ถูกมาเริ่ม้าพระคุณแม่มาแล้วก็พระคุณแม่เนี่ยจะโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยได้เพราะว่า ความดีงามเมตตากรุณาความรักอะไรเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องความดีงามอยู่แล้วเนี่ยก็จะโยงไปหาสิ่งที่ดีด้วยกันก็คือพระรัตนตรัยต่อไปเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรต่างๆก็จะมาเพราะฉะนั้นคิดว่าการศึกษาตอนนี้จะต้องหันมาพึ่งแม่แล้วนี่ใครๆจะเรียกว่าด่านสุดท้ายหรืออะไรก็ได้นลงไปถึงแม่หรือว่าลงไปถึงในท้องของแม่เลยเพราะการศึกษา ท, ที่จริงมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มชีวิต เพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราลองมองดูเถอะหลักพระศาสนาเนี่ยบอกว่าคนเกิดมาพอออกมาก็มีความไม่รู้พอมีความไม่รู้ก็เกิดความติดขัดเพราะว่าไม่รู้นี่มันติดขัดหมดไม่รู้จะทำอะไรต่ออะไรอย่างไรความติดขัดก็คือทุกข์หรือปัญหาเราก็ต้องกายความรู้ต้องการความรู้ก็คือตาหูจมูกดินกายใจของเรามีเป็นช่องทาง เราก็ได้เรียนรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์แต่ว่าการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยไม่ใช่ว่าเป็นแบบสุม่มสี่ซุ่มหนี้แม่ที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็พ่อต่อไปนี่ก็จะมาช่วยนําลูกเข้าสู่การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตว่าจะเริ่มต้นการศึกษาให้ชีวิตเนี่ยดำเนินอยู่รอดและอยู่ดีอย่างไร การศึกษานั้นก็คือการทําให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยดีนั่นเองถ้าชีวิตไหนอยู่ได้ดีๆชีวิตนั้นก็มีการศึกษาเป็นชีวิตที่ดีงามตัวเองก็อยู่รอดดีเจริญงอกงามและเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นชีวิตที่สร้างสรรค์และการศึกษาก็เป็น e, เรืเ่องของชีวิตที่ว่าเราอยู่เราก็ต yeah. ้องพบประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่เมื่อพบประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่เราก็ต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นประสบการณ์นั้นให้ได้ การคิดการหาทางปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเนี่ยก็คือการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษามันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าชีวิตคือการศึกษาแต่ต้องบงกเลยว่าชีวิตที่ดีเพราะว่าถ้าชีวิตที่ไม่หาทางอยู่ได้ดีก็เป็นชีวิตที่มีอยู่ด้วยลมหายใจท่านเรียกว่าเป็นผ่านชีวิตที่ไม่ศึกษาอยู่สักแต่ว่าลมหายใจนั้นเป็นคําจํากัดความของคําว่าผ่านน ผ่านก็คิดชีวิตที่เป็นอยู่สักว่ามีลมหายใจถ้าชีวิตใดไม่เป็นอยู่สักว่ามีลมหายใจเขาก็จะต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่ตอสิ่งแวดล้อมต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้ได้ผลดีกับชีวิตของเขาอันนี้เราเรียกว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีก็มีการศึกษาตลอดเวลานี่การศึกษาต้องมีตลอดเวลาแต่เวลานี้มันไม่มีการศึกษาเลยมันมีอยู่จนกระทั่งว่า ทั้งๆ ท, ที่นักการศึกษาก็ยอมรับแล้วรู้กันว่าการศึกษาได้มีความหมายอย่างไรแต่พอเอาเข้าจริงสังคมนี้ก็ตามในวงการการศึกษาก็ตามก็จะมองความหมายในควา ม, มมองการศึกษาในความหมายแคบๆแ ค, แค่การเรียนวิชาชีพการหาทางไปเป็นอยู่ทำมาหากินเวลานี้การศึกษาในความหมายที่แท้เนี่ยแม้จะรู้กันอยู่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเอาแค่นั้น เอาแค่ว่าเรียนรู้วิชาธรรมหากินถ้าอย่างนี้การศึกษามันแคบหรือเกินแล้วแต่ไอสิ่งที่ตรงข้ามกับการศึกษาคืออกุศลต่างๆที่มนกระตุ้นรัาวความรู้สึกมันมีอยู่ทั่วสังคมเรามีเวลาศึกษาในห้องเรียนเดียวๆแต่ไอเวลาของอกุศลที่ตรงข้ามการศึกษามันมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตก็หมายความว่าสิ่งอกุศลตรงข้ามการศึกษามีตลอดเวลาในชีวิต แต่การศึกษาแทบไม่มีเลยถ้าอย่างนี้สังคมมันจะไปไหวได้ยังไงเราก็ต้องเติมเอาการศึกษากลับมาเป็นเรื่องของชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นกันที่ชีวิตตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวนั่นแหละก็ให้คุณแม่นี่แหละเป็นผู้จูงลูกเข้าสู่การศึกษาเลยแล้วก็จูงด้วยข้อสาคัญก็คือว่าคนเรานั้นมีสองด้านก็ด้านรู้สึกกับด้านรู้เราก็จะต้องพัฒนาด้านรู้สึกที่เป็นบวกหรืออารมณ์บวกขึ้นมา แทนที่จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านจะได้จะเอาโลภะเรื่องจะขัดแยง้งทําร้ายผู้อื่นโทสะแล้วก็เรื่องความลุ่มหลงเพิดเพลิ น, นมัวเมาปล่อยประละลเลยก็ให้มาพัฒนาความรู้สึกในฝ่ายดีมีเมตตากรุณาความรักความอยากช่วยเหลือความซาบซึ้งในคุณธรรมความดีต่างๆขึ้นมานีทถ้าหากว่าเราสามารถทาได้อย่างนี้ความรู้สึกที่ดีมันก็จะเรียกรองปัญญาในทางที่ดี ปัญญาก็มาคิดในทางที่ดีเราก็เดินหน้าไปในการศึกษาได้นั้นตอนนี้ก็จะต้องคงคิดว่าจะต้องมาเน้นเรื่องของการศึกษาในครอบครัวเริ่มต้นโดยคุณแม่แล้วก็การศึกษามันเริ่มต้นได้พูดบ่อยว่าการศึกษาเริ่มต้นเหมนคนกินอยู่เป็นเพราะว่าการศึกษาก็คือการทำชีวิตให้เป็นอยู่ได้ดีดีนี่คนที่มีชีวิตอยู่ก็คือกินอยู่ กินอยู่ประจำวันคนไหนกินอยู่เป็นกินอยู่ได้ดีมันก็มีการศึกษาคนที่กินอยู่ไม่เป็นก็เรียกไม่ได้ว่ามีการศึกษากนะี่ยก็แม้แต่กินอยู่มันยงไปไม่รอดเลยเนะีมันยังเอาดีไม่ได้มันจะมีการศึกษาได้อย่างไรกินอยู่เป็นก็คือดำเนินชีวิตประจำวันเป็นดำเนินชีวิตประจำวันก็ทำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็ เอาไอ้การกระทําการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยมาเป็นช่องทางให้การศึกษาแก่ลูกโดยตัวเป็นปัจจัยภายนอกมาช่วยอย่างว่าเราบอกว่าการศึกษานี่ต้องคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นคติบางทีก็เป็นอุดมคติไปนี่ในทางปฏิบัติจะทํำยังไงก็มาอยู่ที่ชีวิตประจําวันนี่แหละเพราะว่าถ้าเด็ก ทำอะไรนะคือว่าชีวิตคนเนี่ยมันหนี ก, กิจกรรมไม่พ้นต้องทำอะไรอย่างไดอหนึ่งเมื่อทำอถ้าเด็กจะทำให้เป็นทำให้ถูกเด็กก็ต้องคิดถูกคิดเป็นมันเป็นธรรมดาเองดังนั้นการกระทำการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวันนี่แหละถ้าหากว่าฝึกให้ทำเป็นทำถูกมันจะเรียกร้องให้การคิดถูกคิดเป็นตามมาเองแล้วการคิดถูกคิดเป็นก็ไม่ต้องไปมา เทียงกับเสียเวลาว่าจะทำยังไงนะคือกิจกรรมในชีวิตประจาวันเนี่ยมันเรียกร้องเองเพราะนั้นทางพระจึงเน้นเรื่องศีลก่อนคือเน้นเรื่องพฤติกรรมนั่นเองพฤติกรรมที่ดีงามถูกต้องเกื้อกูลสร้างสรรค์มันจะเรียกร้องให้เราเนี่ยคิดเป็นและคิดถูกทางขึ้นมาแล้วมันก็ดำเนินไปเป็นกระบวนเองอ น, นี้เพราะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้การศึกษา ถ้าหากว่านำเข้ามาสู่วิถีชีวิตได้มันก็คิดว่าจะเป็นการศึกษาที่แท้ไม่ฉะนั้นก็จะเป็นการศึกษาที่ล่องลอยอยู่ในความคิดหรืออยู่ในอุดมคติเรื่อยไปก็ให้การศึกษาเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคนและวิถีชีวิตนี้เริ่มต้นในครอบครัวและก็คนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือคุณแม่และก็เป็นผู้ที่จะจูงลูกเข้าสู่การศึกษาขอให้เราย้อนกลับมาหาต้นเดิมที่แท้เลยก็คือ ตั้งแต่ในท้องแม่เลยการศึกษาตั้งแต่ในท้องแม่ออกมาแล้วก็นเน้นเรื่องพระคุณแม่ให้พระคุณแม่นี้ตาไปคุ้มครองลูกแล้วพระคุณแม่ก็จะโยงไปหาพระคุณพ่อแล้วก็จะโยงไปหาคุณพระตนตรยัยและชีวิตก็จเจริญ ง, งอกงามสังคมก็จะดีต่อไปอ น, นั้นในฐานะที่สถาบันรัชพัฒนนี่ก็เป็นที่หวังของสังคมเรียกว่าเป็นสถาบันที่ ประชาชนชาวบ้านหวังว่าจะเข้าถึงชุมชนชาวบ้านแล้วชุมชนชาวบ้านแน่นอนว่าเป็นฐานของสังคมไทยถ้าเราจะให้สังคมไทยเขาเราจเจริญงอก ง, งามดีขึ้นมาได้นี่จะต้องให้ชาวบ้านดีมีการศึกษาให้ได้และนอกจากสถาบัานราชภัฒที่เป็นฝ่ายการศึกษาการศึกษาโดยทั่วไปก็คือสื่อมวลชนจะต้องมาร่วมมือด้วยเวลานี้ดูสื่อมวลชนแล้วก็ ต้องขอประธานอภัยพูดกันแบบว่าหวังดีว่าเดี๋ยวนี้กระตุ้นความรู้สึกในทางที่ไม่ช่วยชาวบ้านให้ขึ้นมาสู่การศึกษามีใแต่ว่าจะช่วยพาออกไปนอกเลือกนอกทางกันเยอะหลือเกินถ้าหากว่าเราจะหวังสร้างสรันสกุลไทยกันจริงแล้วก็ต้องมาจุ้มมือกันนะมาช่วยกันให้สิ่งที่ปลูกราวในทางที่ดี ถาปลูกเล้าความรู้สึกกระตุน้นความรู้สึกฝ่ายดีที่ตรงข้ามกับโลภะโทสะโมหะให้เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกฝ่ายบวกให้มีเมตตากรุณาเป็นต้นหรือความคิดอยากช่วยเหลือสร้างสรรค์ น, นี้ให้มากมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นในด้านรู้ให้มากขึ้นอย่าเอาแต่ด้านความรู้สึกอย่างเดียวเพราะว่าด้านรู้ก็คือด้านปัญญาเดี๋ยวนี้จะเอาแต่ด้านรู้สึกไม่ได้เอาด้านความรู้ถ้าเราไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกไปสู่ความรู้ได้นี่ปัญญาเกิดไม่ได้ เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้สังคมไม่มีทางเจริญงอกงามในเมื่อสถาบันราชพัฏเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเพื่อชาวบ้านถ้าเราไปช่วยชาวบ้านได้จริงๆช่วยชุมชนได้จริงๆนี่ก็คือสร้างฐานของประเทศชาติขึ้นไปและประเทศไทยก็จะฟื้นขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งในเวลานี้เราไปหวังจากคนในระดับสูงมากไม่ได้ทลายเรกช่วยไม่ได้มากอาจจะมีภาพคิดว่าอย่างนั้นนะ เราต้องเอาฐานคือชาวบ้านนี้ขึ้นมาให้ได้แต่เวลานี้กลับหน้าเป็นห่วงแทนที่จะมีการศึกษาแก่ชาวบ้านซึ่งการศึกษานั้นเป็นเรื่องตลอดเวลาในชีวิตกลับมีแต่เรื่องที่ตรงข้ามกับการศึกษาคือไปเลาเร้าอกุศลเล่าอกุศลกันตลอดเวลาเลยแล้ ว, ล ว, ลวสังคมของเราจะขึ้นมาสู่ความดีงามได้อย่างไรก็หวังว่าเราจะมาเริ่มต้นกันให้ถูกทางนยอย่างที่บอกแล้วว่า ตอนนี้เหมือนกับเราร่นถอยเมื่อร่นถอยลงมาแคบลงมาข้ามาสู่ครอบครัวมาถึงคุณแม่แล้วแต่ว่ามันเป็นการร่นถอยอย่างมีระเบียบและจะเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องด้วยและไม่มีผิดพลาดแน่นอนถ้าเราเริ่มพระคุณแม่ขึ้นมาได้เนี่ยพระคุณแม่นี่ไม่ใช่คุ้มครองลูกอย่างเดียวจะคุ้มครองโลกด้ว ย, ยจะอุ้มโลกไว้เลยและโลกของเราสังคมของเราก็จะเรียงอกงามได้ต่อไปวันนี้ก็ขอาการเน้น เรื่องนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกับการศึกษาที่ว่าการศึกษาจะเป็นสถาบันการศึกษาใดก็ตามถึงยังไงก็ตามเราละทิ้งบ้านครอบครัวไม่ได้แล้วก็บ้านครอบครัวนั้นก็คือชาวบ้านนั่นเองชาวบ้านชุมชนนี้ที่แท้ตัวเขานั้นก็คืออยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวนั่นแหละจะช่วยชาวบ้านก็ช่วยเข้าไปให้ถึงในครอบครัวเลยให้ไปถึงคุณแม่ที่อ้อมท้อง เลี้ยงดูลูกอยู่นะถ้าหากว่าเลี้ยงลูกได้ดีนั่นก็คือเลี้ยงโลกด้วยโลกก็จะเจริญ ง, งอกงามต่อไปนั้นเวลานี้ต้องเน้นบทบาทคุณแม่แล้วก็คุณบทบาทในแง่พระคุณของแมนะ่ให้เป็นคำที่พูดมาแล้วต้องทราบซึ่งจริงๆอย่าให้เป็นคำที่เลื่อนลอยเพราะเวลานี้คำนี้ชักจะค่อยๆห่างหายจากใจคนไทยไปแล้วก็วขอให้คาว่าพระคุณแม่นี้กลับมาทราบซึ่งอยู่ในจิตใจของคนไทยครั้งหนึ่ง คูกับวัฒนธรรมไทยแล้ววัฒนธรรมใจไทยจะฟื้นด้วยถ้าพระคุณแม่ฟื้นขึ้นมาวัฒนธรรมไทยก็จะตามมาเองเนี่ยแล้วก็ความดีงามต่างๆอย่างวัฒนธรรมที่เราเรียกคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็เริ่มมาจากวัฒนธรรมในครอบครัวที่เกิดจากแม่จากพ่อนี่แหละในวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ลังหมดไปเดี๋ยวนี้คนไทยมองกันไม่เป็น พี่เป็นน้องไม่เป็นปู่ย่าตายายคําเหล่านี้ ค, ค่อยๆหดหายไปตามลำดับนั่นก็การศึกษาที่ว่าเป็นเนื้อตัวของชีวิตก็จะกลับมาเพราะนี่คือชีวิตติดแท้ชีวิตที่เกิดเริ่มต้นเริ่มต้นจากแม่เนี่ยนะีบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนมีชีวิตชีวิตนะั้นเริ่มต้นจากแม่เมื่อแม่ให้กําหนดมาก็แม่ก็จูงลูกเข้าสู่การศึกษาแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มาช่วยกัน ส่งเสริมสนับสนุนอุ้มชูให้ปัจจัยต่างๆที่จะมาประคับประคองหล่อเลี้ยงก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตกลงก็มาสู่หลักศาสนาก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในว่าเราทั้งหลายนี่มาเป็นปัจจัยภายนอกที่ดีเพื่อจะถ้วยกระตุ้นให้ปัจจัยภายในของเด็กมันเกิดขึ้ น, นปัจจัยภายในนี้ก็มีมากมายเมื่อเกิดขึ้นเช่น โยนิสมรัติการการรู้จักคิดคิดเป็นอะไรเป็นต้นแล้วเด็กก็จะเริยนงอกงามได้อย่างแท้จริงแต่ว่าหลักศาสนาบอกแล้วว่าคนโดยทั่วไปนั้นที่จะพึ่งปัจจัยภายในได้ทันทีนั้นมันเป็นไปได้ยากนะขอให้เรามาเน้นเรื่องปัจจัยภายนอกการที่เรามีการจัดกระบวนการศึกษามีโรงเรียนมีสถานศึกษานี้ก็คือการจัดตั้งปัจจัยภายนอกขึ้นมา เพื่อจะมาช่วยกระตุ้นให้ปัจจัยภายในเจริญงอกงามนั่นเองท่านจึงเรียกว่าเป็นกระบวนการของกาลยานามิตรกาลยานามิตรทําหน้าที่ถูกต้องดีก็จะทําให้เด็กเกิดปัจจัยภายในเช่นโยนิสมรสิการเป็นตน้นรู้จักคิดเองเป็นก็จะพึ่งตนเองได้ปัญญาความรู้เข้าใจเกิดขึ้นก็ทําอะไรได้ถูกต้องดําเนินชีวิตดีงามและจิตใจก็มีด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ที่เป็นบวกก็มาหนุนให้ ปัญญาความคิดนั้นดําเนินไปในทางที่ดีงามออกมาสู่พฤติกรรมก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลการเป็นศีลเป็นความประพฤติ ท, ที่ดีทางกายวาจาทุกอย่างก็ดําเนินเดินหน้าไปก็เราก็เรียกว่าใตล้สิกขาและได้อย่างงี้ก็เป็นการศึกษาที่ครบองค์จะเรียกว่าองค์รวมหรืออะไรก็อยู่ที่ตรงนี้เองวันนี้อาจารภาพก็เลยถือโอกาส พูดคุยมาซะยืดยาวนานก็ไปอันว่านี่ความมุ่งหมายในวันนี้อยากจะเน้นเรื่องแก่นแท้จุดเริ่มต้นของการศึกษาอยู่ที่ชีวิตชีวิตเริ่มต้นเมื่อรายการศึกษาเริ่มต้นเหมือนนั้นปัจจัยภายนอกปัจจัยตัวแรกคือแม่นีเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟื้นอันนี้ขึ้นมาให้ได้แล้ววัฒนธรรมไทยเราหนุนอยู่แล้วขนาดวัฒนธรรมไทยหนุนอยู่แล้วเรายังทาไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเราล้มเหลวที่สุดแล้วใช่ไหมเนะี อะไรพื้นฐานตัวเองก็มีอยู่แล้วยังทําไม่ได้นะอ้าวและเรานี่ได้เปรียบพื้นฐานวัฒนธรรมไทยก็ดีเนะี่ยเรื่องพระคุณแม่นี่ทราบซึ้งตลืนใจยิ่งใหญ่อยู่แล้วมีได้เปรียบอย่างนี้ก็รีบฟื้นขึ้ น, นมาซะทําให้ได้ผลถ้าทําไม่ได้ก็แสดงว่าสังคมไทยนี้หมดสมรรถภาพนะล้มเหลวเพราะนั้นก็ต้องท้ากันแล้วนะว่าการศึกษาคนเหล่านี้จะทําได้ไหม ชีวิตที่เริ่มต้นในครอบครัวที่เริ่มต้นลึกลงไปถึงคุณแม่ที่พระคุณของแม่ที่จะมาค้ำจุนลูกตามคุ้มครองลูกที่ดำเนินไปในโลกเพื่อให้โลกนี้ดำเนินไปสู่ความดีงามและสันติสุขสืบต่อไปอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาทางสถาบันราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญามีท่านนายกสภา เป็นประธานพร้อมทั้งท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีและก็อาจารย์ญาติโยมสาธุชนและท่านฝ่ายสาธุชนก็คือนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็ขออนุโมทนาพร้อมทั้งข อ, งของคุณพระตนตรยัยรอวยใยให้พ่อนอภิบาลรักษาให้ทุกท่านจเจริญด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากาลังความสามัคคี ที่จะดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้างอกงามด้วยความมุ่งหมายอันมุ่งมั่นแน่แนวที่จะทำการเพื่อสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติและโลกนี้ให้เดินหน้าไปในความดีงามและความร่มเย็ยนเป็นสุขก็ขอให้ความปรารถนามุ่งมั่นนี้จงสำฤทธิผลสมความปรารถนาด้วยดีทุกประการและขอทุกท่านจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทุกเมือ่อเทิน